เพิ่มทำทำที่เป็นกุศลความรู้สึกตัวเนี่ยเพิ่มลงไปถังกินน้ำไปก่อนถังกินน้ำไปก่อนแม่จะทํามันดื่มเราไม่ได้โดยตรงก็เอาลอยอ้อมเราก็ต้องเพิ่มลงไปเพิ่มทำลงไป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 นี่คือการเจริญสติไม่ใช่ทำแบบลุกเรี่ลูกลนมาสองสามวันเจ็ดวันจะมาเดินจ่ก็มบส้งางแค่ว่าถือกระเป๋ากับบ้านก็ไปวางต่อยหมดมันก็ไม่ใช่ต้องถนอมต้องรักษามันก็ไม่เลี่ยงโรค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 ราตายแล้วก็อ้าวเติมไปแล้วโอ้ยยิเงเสียงมาเติมจะมีอะไรเกิขึ้เนเลืน่นไอะรถดกายสัมปัตจิมันคิดโลน่าโลกหลัลองอยู่มันไม่ใช่แต่เราปกติมันยิน่งใหญ่เหมือนกันน่ะของรือสุดตัวน่ะมันช่างเคยแห่เคเห็นไหมโยมพอคิดอ่ะในคอนสวรรค์มีแห่ช่างไหมอ่าเขาแข่เอาช่างทีดคอ แค่การปวดมากแค่ผัวเวแคร์อต่างๆเสียงคลองเสียงคลองคนจะเดินไปขนาดไหนรถเสียงเครื่องเ้ีงเคื่องไม่ไวันไม่ไวัน ไ, ไหวไมันใหญ่หมาเห่าช่างก็ไปเนห่าวกว้าให้ช่างก็เดินเฉยถ้ <c oughs> จาจําเป็นหมาที่มากัดมันมันก็เตะเห็นเห็นหมาเห็นช่างเตะหมาจะไม่นะ อ๋อเพิ่งไปเป็น20วานะไม่กลัวอเลยของรู้สึกทัวก็เหมือนกันแล้วถ้าเราสร้างให้ดีๆยิ่งใหญ่ขนาดนั้นกิเลสทั้งหลายตึงว้นร้อนทุกความสุกความโรภความโกรธความหลงไม่ไปเสิยภาษาอะไรไม่ต้องไปหน้ายให้หวเชื่อกรหมดไม่ต้องไปโอ้โๆแผลบ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 บางคนกินหนึ่งหมดที่สิบาทกินแบบไหนกินแบบคนจนคนรวยบางคนแต่ว่ากินแบบสองร้อยบาทบบาากินแบบคนรวยอ่านอะไรกินแบบคนจนคิดมากโทษมากมันไม่ดีเราไม่ีเงินร้อยบาทใช้สักสักบาทเดียวเราปฏิบัติไปมันไม่ความรูมม้ไม่ญาณในอะไรให้มันรูน้ก่อนเถอ ะ, อ, ะอย่าเพิ่งไป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 ไปเอาทุก์มันใชยไปแล้วอย่าไปเอาสุขกยไปเอาทุก์มันหมดทุ น, นเรื่องไหมไปสุขไปทุกข็หมดทุนแล้วใช่ไปแล้วอ่วมร่มทนมีน ไ, ไหมมันสุขมันทุกืม <c oughs> อย่าไปใช่ชีวิตแบบนั้น แต่ไม่ใช่แบบนั้นต้องรู้สึกตัวามรู้สึกตัวเลยว่ะให้ทุนเป็นเศรษฐีเข้ามาะสะส ม, มความรู้สึกความรู้สึกอย่าดดนไปสุขอย่าดดนไปทุกข์อย่าดวนไปยินรีอย่าดวนไปยินได้อย่าดวนเป็นรักอย่าดดนไปชั่งฟ <c oughs> ังรู้เรื่องไหยอย่าดวนไ้ ยินดีเขาเอาเขามายินร้ายผัก ไ, ไม่เอาไม่เอาแต่ เ, เ ช, ชื่อชื่อแบบนั้นอามางว่าอิจฉาลมชอบไม่ชอบกไม่เอาไ ป, าไปแต่เ ช, ชื่ยชื่อแบบนั้นมันสิ้นเปือนมันแช่สลื่สลื่อบังขาดแคลน อ, าอ่าแต่โดนไปยินดีอย่โดนไปยินร้าย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 สัมมาสัมพทธ佛菩萨菩萨摩诃萨。